ข่าบกาฟวหลวงพ่อคำเขียนเขาขาดมูสงก็เจริญพรญาติโยมทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราได้มาร่วมกันไหวพระศดมนธรรมวัดเช้านะซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันนะที่พวกเราได้มาร่วมกัน หลังจากที่ได้ทำวัดแล้วนะก็มาฟังในสิ่งที่จะเป็นสาระประโยชน์นะเพื่อที่ส่งเสริมนะให้กำลังใจนะในการที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราการมาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะคิดว่าแต่ละคนะก็คงมีจุดมุ่งหมายมีความตั้งใจ นะที่จะมาเรียนรู้ชีวิตของเรานะซึ่งก็ประกอบไปด้วยกายและใจกายใจนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ติดกับตัวเราและก็อยู่ใกล้กับตัวเรามากที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจนะโดยส่วนใหญ่เราก็จะไปเรียนรู้นะเรื่องนอกตัวนะเรื่องการทามากิน เรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะเพราะว่า <c oughs> เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะก็คือเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนะเราก็อาจจะหลงลืมไปอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญนะต่อเมื่อใดก็ตามนะที่เรามีความทุกข์ นะเรามีความไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นมานะเราก็จะมาสนใจนะหรือมาให้ความสําคัญกับกายใจของเราการเรียนรู้เรื่องกายใจนั้นหลวงพ่อคาเขียนนะก็ได้พูดให้พวกเราได้ยินได้ฟังนะทุกครั้งนะที่เราได้มีโอกาสนะได้ฟังธรรมจากท่านนะก็เป็นสิ่งที่ ท่านก็เน้นอยู่ตลอดเวลานะที่เราให้เราเรียนรู้นะกายใจของเรานะโดยใช้สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะหรือสติสัมปชัญญะนั่นเองสติสัมปชัญญนะหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าที่มีอยู่นั้นอาจจะไม่เพียงพอนะก็จำเป็นที่เราจะต้องมา ฝึกหัดมาปฏิบัติกั น, นด้วยรูปแบบของการเจริญสติซึ่งหลวงพ่อเทีย น, นท่านได้นำเสนอไว้ตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งทัวกับผมนิธราเองก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้และเห็นว่าเป็นวิธีการที่สะดวกนในการที่เราจะใช้ในการที่เราจะทำ นะโดยอาศัยการเคลื่อนไหวนะของกายเป็นหลักการเคลื่อนไหวของกายนั้นเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาสนใจหรือไม่ได้มาสังเกตนะตรงนี้ก็เลยทําให้เราบางทีเราก็พลาดไปนะในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะกับตัวเราเอง การศึกษานะกายใจโดยอาศัยความรู้สึกตัวนะโดยดูจากากายที่เคลื่อนไหวนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำได้ง่ายนะเป็นพื้นฐานนะอย่างที่เราทำกันอยู่เป็นประจำนะที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะทำในรูปแบบนะการเคลื่อนไหว14จังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดี นะจุดประสงค์สําคัญก็คือเราต้องการที่จะปลุกความรู้สึกตัวนะที่มีอยู่แล้วนะให้มันตื่นขึ้นมาให้มันมีความฉับไวนะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยนะเราก็ต้องรู้เท่าทันกายที่เคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นการยกมือการเดินชงกลมนะเราอย่ายกฟรีๆนะให้เรารู้สึกตัวกับการยกด้วยรู้สึกบ่อยๆ นะรู้สึกตัวกับการพลิกมือการยกมือการหยุดนะการเคลื่อนการไหวนะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดพื้นฐานเลยนะสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ก็ดีหรือแม้แต่คนเก่าก็ดีนะคนเก่าในบางทีทําไปนานๆแล้วมันเพลินนะบางทีก็ยกไปแบบอัตโนมัตินะไม่ได้รู้สึกตัวจริงๆนะบางคนก็ยกไปคิดไปเพลินไป นะบางทีก็ทําเป็นอัตโนมัตินะซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางทนะีความรู้สึกตัวมันก็ไม่กันชัดนะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องสังเกตนะเมื่อความรู้สึกตัวณนะที่กายเคลื่อนไหวนะมีความรู้สึกตัวให้ชัดบ่อยๆซึ่งแน่นอนละนะบางครั้งมันก็มีเผลอไปบ้างนะมันเผลอไปก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆนะเป็นความรู้สึกตัวในแต่ละขณะ การที่เรารู้ว่าเราเผลอแล้วเรากลับมารู้สึกตัวได้นั่นก็คือเราก็รู้สึกตัวนะเราก็รู้ตัวนะซึ่งตรงเนี้ก็เป็นสิ่ง <c oughs> ที่เป็นวิธีการในะ ร, รูปแบบที่เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าในชีวิตของเรามีการเคลื่อนการไหวเมื่อเรามีความรู้สึกตัวที่กายนะเคลื่อนไหวจาก อิริยบทใหญ่ๆหยับ ๆ, ๆนะเราก็จะไปเห็นอิริยบทย่อยๆนะเช่นการกระพริบตาการหายใจการคืนน้ําลายนะหรือการหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวานะมันก็เริ่มที่จะไปเห็นอิริยบทย่อยๆนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะตื่นมันจะเห็นสิ่งที่เป็นรายละเอียดเปรียบย่อยลงไป ในแม้แต่การที่ลมเย็นอากาศเย็นมาสัมผัสกับกายนะซึ่งแต่ก่อนนะเราก็รู้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ค่อชัดกลิ่นของดอกไม้ป่าในะยามเช้านะที่อ่อนละมุนนะมันก็จะเข้ามากระทบกับสดประสาทของเรานะตรงเนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้สึกตัวนะที่เกิดขึ้น นะที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้มันนะรู้สึกกับการเคลื่อนไหวนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราฝึกปฏิบัติในรูปแบบนั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเรานั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยนะเราก็รู้สึกนะกับการปวดการเมื่อยแต่ก่อนเมื่อเราไม่ได้ฝึกเนี่ยพอเราปวดเราเมื่อยนะเราก็รู้สึกทรมานนะเรารู้สึกเป็นทุกข์นะกับความปวดความเมื่อย นะแต่เมื่อเราได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นเลยว่าอาการปวดอาการเมื่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายนะแต่ใจของเราเนี่ยไม่ทุกได้นะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องอาศัยการสังเกตนะแรกๆก็ทนเขาหน่อยนะอดทนนะสังเกตดูความปวดความเมื่อยนะซึ่งก็อาศัยความรู้สึกตัวที่เราฝึกนั่นแหละนะเป็นเครื่องมือสำคัญ นะที่เราจะเรียนรู้นะเรื่องพวกนี้อาการปวดอาการเมื่อยเนี่ยเป็นความเป็นอาการของกายนะแต่เมื่อเราไม่ได้ฝึกเนี่ยนะใจมันก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะก็คือรู้สึกทรมานรู้สึกหงุดหงิดนะและเราก็จะรีบเปลี่ยนทันทนะีซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราพลาดโอกาสนะที่จะเรียนรู้ความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นกับกาย ก็คือความปวดความเมื่อยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะอาจจะแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแปลงบรรเทาแล้วนะก็คือการเปลี่ยนอิริียบทนะแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนอิเิียบทเนี่ยให้เรารู้ตัวซะก่อนนะเราอย่าไปเปลี่ยนทันทีนะโดยที่เราทำไปทํามความเคยชินหรือว่าทำไปตามที่อาการปวดอาการเมื่อยมันทาให้เราเปลี่ยนนะตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ เราอาจจะไม่ได้เรียนรู้นะความทุกขนะ์ซึ่งเป็นความจริงนะที่ปรากฏหรือแสดงให้เราเห็นความปวดความเมื่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะที่แสดงออกมานะซึ่งเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้แบบฝึกหัดเนะบื้องต้นนะจากกายนะที่มีอาการปวดอาการเมื่อยนะหรือว่า อากาศเย็นนะอากาศร้อนนะอันนี้มันก็จะสังเกตไปเรื่อยๆจากจุดใหญ่ๆเนี่ยจากสิ่งที่มันแสดงออกนะมันก็จะไปเห็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปออนอกจากนั้นเนี่ยนในในการที่เราสังเกตกายเนี่ยมันก็จะไปเห็นใจที่นึกคิดนะหรือความรู้สึกนะพอใจไม่พอใจนะความสุขความทุกข์นะที่มันเกิดขึ้น นะกับการที่เราได้สัมผัสกับโลกนะหรือการที่เราได้ใช้ชีวิตนะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> มันก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะที่เราได้ฝึกหัดนั่นแหละนะเป็นเครื่องมือนะในการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้นะความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจแล้วมันมีอีกอันหนึ่งก็คือความเป็นปกตินะความเป็นปกติของใจ นะซึ่งเป็นอาการที่มันมีอยู่นะมันเป็นสภาพธรรมชาติที่มีอยู่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้จักกันแต่สุขกับทุกข์พอใจไม่พอใจนะแล้วเราก็อยากจะให้มันสุขหรืออยากจะพอใจอยากให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะสิ่งที่เป็นความไม่พอใจสิ่งที่เป็นทุกข์เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เราลืมไปว่ามันมีอัอนหนึ่งก็คือมันไม่สุขมันไม่ทุกข์ นะมันปกติเฉยๆแต่แต่เป็นปกติที่รู้ตัวนะไม่ใช่ปกติแบบนิ่งๆแบบเฉยๆแบบที่เขาเรียกว่าเฉยชาหรือว่าซื่อบือ้ออะไรอย่างนั้นนะซึ่งความเป็นปกติอันนี้เนี่ยทุกคนมีอยู่โดยธรรมชาตินะขณะที่เรานั่งอยู่ขณะที่ฟังธรรมขนะนี้ให้เราสังเกตดูนะความเป็นปกติของใจเนี่ยนะมันมีอยู่แล้ว มันแสดงตัวของมันอยู่ทุกเมื่อนะแต่เมื่อใดก็ตามนะที่เราเพลินเราเผลอ น, นะหรือว่าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะเหวี่ยงไปทางสุขหรืออาจจะไปทางทุกข์หรืออาจจะพอใจไม่พอใจนะจากอาการปวดอาการเมื่อยจากอากาศที่เย็นสบายนะเราก็จะรู้สึกพอใจเพราะอากาศร้อนมากๆนะเราก็ไม่พอใจ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราได้อาศัยความรู้สึกตัวนะอาศัยสังเกตตรงนี้เนี่ยบ่อยๆเนี่ยนะเราก็จะได้เรียนรู้นะเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ธรรมะนะที่เขาปรากฏนะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนนะไม่ได้เป็นเรื่องเหลือวิสัยเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดา ในชีวิตประจำวันของเราจากเรื่องกายมันก็จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของความรู้สึกที่เป็นความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้โดยอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยอาศัยเครื่องมืออันเดียวเนี่ยก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะพัฒน า, นาเข้าไป จากตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเข้าไปอีกนะก็คือความคิดความนึกนะโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งนะต่างๆนะซึ่งอันนี้เป็นอาการของจิตนะตัวจิตตัวใจเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ยากนะแต่มันมีอาการนะที่มันจะแสดงออกมานะเช่นเราเห็นอะไรพอใจไม่พอใจนะบางทีเราก็คิด คิดนึกปรุงแต่งไปต่างๆทําให้เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมานะซึ่งความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เร็วมากเป็นสิ่งที่ว่องไวมากวายกว่าแสงออสไตน์บอกว่าสิ่งใดที่เร็วกว่าแสงสิ่งนั้นไม่มีตัวตนนะก็คือความนึกคิดนี่เองความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะนึกคิดไปได้สารพัด นะทั้งที่เป็นเรื่องของในอดีตบ้างเรื่องของอนาคตบ้างนะหรือแม้แต่เรื่องของปัจจุบันเพนะราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราสังเกตดนะูอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยบางทีเราคิดไปถึงเรื่องอดีตนะเป็นอดีตที่หวานชื่นนะเราก็จะรู้สึกพอใจรู้สึกเป็นสุขถ้าเป็นอดีตที่คืนขมคืนหรือคืนขมอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกเป็นทุกขนะ์รู้สึกไม่สบายใจ นะหรือบางทีก็อาจจะสำนึกบาปขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนั่นเองเพราะฉะนั้นความทุกข์นะที่เกิดขึ้นจากความคิดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วมากนะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นนะจะต้องอาศัยสิ่งที่มันเร็วมันเร็วเท่ากันหรือเร็วกว่าสิ่งที่เร็วกว่าความคิดก็คือความรู้สึกตัว นะเป็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการที่เราพัฒนาเกิดจากการที่เราฝึกหัดนะในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดนะีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เร็วถ้าความรู้สึกตัวเรารู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนะความคิดปรุงแต่งก็จะมาหลอกเราไม่ได้แลนะหลอกให้เราสุขหลอกให้เราทุกนะมันหลอกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อหลอกไม่ได้แล้ว นะเราก็จะสัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นธรรมชาตินะเป็นสภาพดั้งเดิมนะที่มีอยู่แล้วนะตรงนี้เนี่ยนะก็ทำให้เรารู้นะเท่าทันความคิดปรุงแต่งแต่ก็ไม่ได้หมายว่าถ้าเราจะทำการทำงานเราจะไม่คิดนะอันนั้นเราก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกันนะเป็นความคิดที่จะทำการทำงานนะที่จะ ทำต่างๆในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะหรือทําในส่วนที่เป็นหน้าทีนะ่ซึ่งถ้าเรามีความรู้สึกตัวชัดแล้วเนี่ยนะความคิดที่เราใช้ในการทํางานเนี่ยนำะก็ใช้อย่างพเหมาะพอดีนะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดนะเราก็ไม่ต้องใช้หรือมันมีความคิดที่เราไม่ได้เจตนานะที่หลวงพ่อใช้คําว่าลักคิดเนี่ยเราก็รู้เท่าทันมัน แล้วเราก็ไม่เผลอไม่เพลินไปกับมันนะมันก็ไม่มีค่าไม่มีราคาแต่ก่อนเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ฝึกหัดเราไม่ได้เรียนรู้นะเราก็บางทีก็เพลินก็เผลอนะไปกับความคิดปรุงแต่งนะหรือบางคนเนี่ยโอ้มันคิดฟุ้งซ่านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการมาฝึกปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นความคิดฟุ้งซ่านนะบางคนก็ไม่ไม่อยากให้มันเกิด ไม่อยากให้มันมีนะเมื่อสี่หวันที่แล้วได้มีโอกาสไปกับพระจันทร์ทรงศิลป์นะไปร่วมปฏิบัตินะกับกลุ่มปฏิบัติที่บ้านพูดธมุนทาที่ปักช่องแล้วก็มีอยู่คนนึงบอกมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันฟุ้งซ่านมันไม่หยุดหย่อนเลยเนี่ยไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านจะทํำยัำยงไงก็เป็นความทุกข์มากนะก็บอกไม่เป็นไรนะมันมายิ่งมามากยิ่งดีแต่ว่าขอให้เรารู้สึกตัว ความที่เราไม่อยากให้มันมีไม่อยากให้มันเป็นนั่นแหละที่มันเป็นทุกข์นะเพราะเราไม่รู้เท่าทันความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเราเผลอนะเราไม่รู้เท่าทันและความเคยชินนะที่เราเคยคิดนุ่นคิดนี่บ่อยๆนะเรียกว่าเป็นความคิดที่ไม่มีการดูแลนะก็เหมือนกับเด็กที่ซุกซนน่แหละ เด็กที่สุขสนก็ทำนู่นทำนี่นแต่เมื่อเราได้มาดูแลเขามาสังเกตเขาเขาก็จะไม่มีกําลังไม่มีพลังที่จะมาทาให้เราสุขทุกข์ได้ตัวที่จะดูแลตัวที่จ ะ, ะคอยควบคุมความคิดก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองเป็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการที่เราพัฒนานึกการที่เราฝึกหัดนี่เอง นะตรงนี้มันก็จะทำให้การจัดระเบียบความคิดนะสามารถที่จะทำได้แต่ก่อนเราคิดสเปะสปะไปคิดไม่มีระเบียบเมืนะ่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะเข้าไปจัดระเบียบอันไหนควรคิดคิดแค่ไหนอย่างไรอันไหนไม่ควรคิดนะอันไหนที่เป็นความคิดที่ฟุ้งเ ฟ, อฟงเอ้อฝุ่งฝันเฟื้องนะเกินไปนะ ก็จะ <c oughs> ไม่เกิดขึ้นหรือนะเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> เราก็รู้เท่าทันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจากการที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นจากสิ่งที่หยาบ ก, นะก็คือจากกายนะเข้าไปสู่เวทนานะแล้วก็เข้าไปสู่จิตนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติ นะเป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนะมื่อตาเห็นรูปนะเกิดการกระทบสัมผัสนะปเป็นรูปที่สวยงามเป็นรูปที่พอใจนะเราก็เกิดความสุขนะไปเห็นรูปนะที่ไม่พอใจหรือไม่ถูกใจนะเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นตามธรรมชาติของ ของสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอ่ะทีนี้การที่เราไม่ไม่ได้สังเกตไม่มีความรู้สึกตัวที่ชัดหรที่คมชัดพอเนี่ยนะบางทีเราก็สุขบ้างทุกบ้างนะเรียกว่าถ้าพูดภาษาสมัยโบราณก็เรียกว่าตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างวันหนึ่งตกนรกขึ้นสวรรค์ไม่รู้กี่กี่กี่ครั้งนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะ นอกจากตานะมันก็ยังมีจมูกนะมีลิ้นนะเวลาเราทานอาหารนะเราก็จะสังเกตได้สัมผัสกับรสชาติของอาหารนะที่ถูกใจนะที่ไม่ถูกใจนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นจากการที่เราฝึกปฏิบัติการเจริญสติในรูปแบบเนี่ยมันก็จะขยายผลนะไปเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นเอง ในชีวิตประจําวันนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถจะเรียนรู้นะกายใจของเราเรียนรู้ธรรมชาติของเราได้ทุกขณะทุกเวลานาทีในชีวิตประจําวันตั้งแต่ตื่นยันหลับหรือแม้แต่บางทีถ้าสติชัดเนี่ยแม้แต่ในหลับเนี่ยบางทีมันจะฝันมันก็รู้ทันละแล้วเนะพราะฝันก็คือความคิดนะอันนี้เรียกว่าพัฒนากันไปถึงขนาดนั้น แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะเพียงแค่ว่าจากการที่เราฝึกในรูปแบบเนี่ยนะมันจะพัฒนานะมันเอาไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันนะไม่ว่าตื่นนอนล้างหน้าล้างตาด้วยความรู้สึกตัวนะแปลงสีฟันนะใช้ยาสีฟันแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวนะกินข้าวขบฉันไปบินบาศ นะการนุ่งหม่มนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นทําด้วยความรู้สึกตัวนะเราไม่ได้ทําด้วยความเคยชินนะเราไม่ได้ทําไปตามความพอใจไม่พอใจนะซึ่งตรงเนี้มันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่พร้อมไปได้วยความรู้สึกตัวเมืนะ่อเรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆนะตรงนี้ต้องเน้นนิดนึงว่าบ่อยๆเรื่อยๆ ทำเป็นประจาให้เป็นกิจวัตรเป็นนิสัยนะเป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวนะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเผลอพลาดเข้าไปในความพอใจไม่พอใจน้อยลงนะชีวิตเราก็จะเบาสบายขึ้นนะเราก็จะได้สัมผัส ก, กับธรรมชาติเดิมแท้ของชีวิตนะก็คือความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่แล้ว เราไม่ได้ไปสร้างไม่ได้ไปปรุงแต่งขึ้นมาเลยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเผลอเราเพลินเราหลงลืมสิ่งเหล่านี้ไปเราไปยินดีกับสิ่งที่เป็นความพอใจไม่พอใจนั่นเองแลนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราสัมผัสกับความเป็นปกตินะทีละนิดทีละหน่อยนะบ่อยๆเรื่อยๆนะ เมื่อเราทีละนิดทีละหน่อยทำให้บ่อยๆเรื่อยๆนะตั้งแต่ตื่นยันหลับในชีวิตประจาวันของเรานั่นแหละนะตรงนี้มันก็จะทำให้เราได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจนะได้เรื่อยๆบ่อยๆนะแล้วเมื่อใจที่เป็นปกติเราสัมผัสบ่อยๆตรงนีนะ้มันก็จะเป็นมาตรฐานนะมาตรฐานของชีวิตว่าโอ้มาตรฐานชีวิต ตั้งเดิมเนี่ยมันคือไอ้นี่นะเมื่อเรามีตรงนี้ชัดหรือเมื่อเราเห็นตรงนี้ชัดแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นในกาย <c oughs> ในกายในใจเรานะเราก็จะเห็นชัดนะเราก็จะรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันความพอใจไม่พอใจรู้เท่าทันโลกธรรมนะจะเป็นสรรเสริญนินทาสุขทุกข มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้เท่าทันเพราะนั้นชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่เป็นปกติสุขนะเป็นชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละนะที่เป็นปกติสุขนะเราก็ยังทำการทำงานใช้ชีวิตเป็นปกติของเรานะแต่เป็นชีวิตที่อยู่ด้วยความรู้สึกตัวนะอยู่ด้วยความ ด้สติสัมปชัญ ญ, ญะนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเบาสบายขึ้นนะไม่ต้องไปแบกโลกนะโลกคืออารมณ์นะโลกคือความหนักอกหนักใจนะโลกคือความสับสนวุ่นวายใจนะซึ่งเราเรียกมันว่าทุกข์นั่นเองนะตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้เท่าทันความทุกข์นะเห็นเหตุแห่งทุกข์นะก้าวล่วงทุกข์ได้นะแล้วก็ มีชีวิตที่ดําเนินไปนะตามทางของอริยมัคคีองแปดนั่นเองด้วยความรู้สึกตัวเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเดินอริยมัคมีองแปดได้โดยโดยอัตโนมัตินะเราไม่ต้องไปแจกแจงว่าข้อนั้นข้อ น, นี้ต้องเดินทีละขั้นทีละขั้นอะไรนะเพราะนั้นการเจริญสติีด้วยความด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่สะดวกนะแต่มาใช้คําว่ากรรมฐานสะดวกทำ นะก็คือทำได้ทุกเวลาทุกนาทีทำทั้งในรูปแบบทำทั้งนอกรูปแบบพอถึงเวลาจริงมันก็ไม่มีแล้วละ่ะรูปแบบอะ่ะนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นะได้จากตัวเองนะได้จากการฟังครูบาอาจารยนะ์แล้วเราก็ได้ไปประพฤติปฏธธิบัตนะิลองทำดูนะก็บางทีก็ลม้มลุกคุก ค, คานบ้างนะบางทีก็ หนักหนาสาหาัสากาันบ้างแต่บางทีก็สบายใจขึ้นมาบ้างนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ได้จากการประพฤติปฏิบัตินะก็คิดว่าสิ่งนี้นะก็เป็นการนํามาเล่าสู่กันฟังนะซึ่งก็คงจะมีข้อบกพร่องบ้างนะซึ่งตรงนี้ก็หวังว่าครูบาอาจารยนะ์จะได้แนะนําตักเตือนนะในสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องไปนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะนําเสนอใน เช้าวันนี้นะก็ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธก็คือจิตที่รู้ตื่นเบิกบานที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนนะพระธรรมก็คือความจริงธรรมชาตนะิที่แสดงปรากฏนะที่จะให้เราเรียนรู้นะที่มีอยู่แล้วนะแล้วก็พระสงฆ์ แล้วก็คือการประพฤติปฏิบัติของเราโนะดยเฉพาะการเจริญสตินะจงเ ป, เ, เป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจนะให้พวกเรานะได้มีความเพียรความพยายามในการที่จะเดินทางนะด้วยความรู้สึกตัวในการที่จะดาเนินชีวิตด้วยความรู้สึกตัวนะทุกขณะเวลานาทีของชีวิตนะก็คงจะได้ประสบพบเห็น